ทีนี้ในที่เมื่อสิ่งเหล่านี้เป็นสังขสังขารธรรมสังขารเกิดจากอะไรเกิดจากปัจจัยใช่ไ้มเกิดจากปัจจัยเมื่อเกิดจากปัจจัยก็การสามอ่ะเป็นอย่างนี้หมดเลยสังขารธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตเกิดจากปัจจัยอนาคตก็เกิดจากปัจจัยปัจจุบันนี้ก็ดํารงอยู่ด้วยปัจจัยเมื่อมีความเข้าใจอย่างนี้ดีเรียกว่าบริสุทธิ์ที่ข้ามความสงสัย เรียกกลางขาวิจารณวิสุทธิเนี่ยนะ เ, เป็นความบริสุทธิ์ในการข้ามความสงสัยได้ว่าเสังขารเนี่ยนะการ3อดีตสังขารธรรมก็เกิดจากปัจจัยเพราะฉะนั้นละความสงสัยในอดีตหอนาคตสังขารก็เกิดจากปัจจัยละความสงสัย 5. ที่เป็นอนาคตเนี่ยนะปัจจุบันนี้สังขารทั้งมวลก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยก็ละความสงสัยในปัจจุบันเขียนยังไงฮะนี่ชักแย่แล้วนะเนี่ยพวกกันสายต้องเลีกกันจริงๆเขียนไม่ค่อยถูกละ6ประการนะ น, นะความบริสุทธิ์เรียกว่าไม่มีความสงสัยในการสาม ถามว่าจะเอาอะไรมาสงสยัยเพราะว่ามันคือสังขารอะ่ะมันเกิดจากปัจจัยอดีตก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยอนาคตก็จะเกิดด้วยปัจจัยปัจจุบันนี้ก็ดำรงอยู่ด้วยปัจจัยแต่ว่าสิ่งที่เป็นปัจจัยและปัจจยุบันเนี่ยนะเชื่อมจ่อกันด้วยอะไรจุติกับปฏิสนธิเนี่ยนะเชื่อมกันแบบนี้แล้วทากว่าจะมาจุติมายังไงแล้วหลังจากปฏิสนธิไปยังไง เพราะว่าสองประการนี่เป็นผลกรรมนะก็กรรมที่เป็นเหตุแห่งจุติและปฏิสนธิก็ต้องรู้ด้วยว่าจุติปฏิสนธิมายังไงแล้วก็กรรมกรรมยังไงที่นำมาซึ่งปฏิสนธิเมื่อปฏิสนธิจะมีผลต่อไปยังไงเนี่ยนะก็จะละความสงสัยหมดด้วยกังขาวิตรณวิสุธทธิแล้วก็ไม่สำคัญด้วยว่าผู้ใดสร้างให้ปฏิสนธิเกิดใคร หรือว่าปฏิสนธิไม่มีเหตุนนะมันมีลัทธิที่ว่าปฏิสนธิไม่มีเหตุยูยู่มันก็เกิดมันคนเดียวในแม่คันแม่กลุ่มเนี่ยเป็นอาเหตุตุกะทิฐิหรืออาทิจสะสมุ ป, ปัญญาทิธิเกิดเลอยลอยบางพวกบอกไม่ใช่โหท่านเมตตามากท่านให้เราเกิดเมตตาหรือว่าลงโทษก็ไม่ทราบอนนะอกมาไม่เชื่อเลยว่าเมตตานะสมมติถ้ามีผู้เป็นใหญ่สร้างให้เรามาเกิดในคันจริงๆอันนะ ไม่เชื่อเลยว่าท่านมีเมตตาให้เราไปกินน้ําคลําบอกมีเมตตาต่อเรามากไม่เชื่อเด็ดขาดนะนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่เลยฉะนั้นการปฏิสนธิเนี่ยก็มาจากกรรมนะนะมาจากกรรมมั้นท้จริงจริงบอกว่าฉันปฏิเสธศาสนาพระเจ้าฉันปฏิเสธพวกไม่เชื่อบุญเชื่อบาปนะนะการการรู้กังขาววิตรนาวิสุธทธินะเข้ากระตักกลุ่มตระกูลนั้นออกไปหมดสิ้นแล้ว มีอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าละความสงสัยอีก8ประการสงสัยในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคืออะไรคือผู้ที่ทําลายปฏิสนธิแล้วสอนข้อปฏิบัติเพื่อทําลายปฏิสนธิอันนี้คือคือพระพุทธคุณใช่ไหมพระพุทธเจ้านี้มีอะไรเป็นผู้หักซี่กรรมแห่งสังสารวัชจักเพราะว่ากรรมจะนํา ปฏิสนธิไม่ได้เมื่อปฏิสนธิไม่ได้ทุกทั้งมวลก็เป็นอันดับไปทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้เท่ากับพระพุทธเจ้ามีคุณธรรมอันนั้นนั้นคําสอนที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยอ่าน น, นะคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนก็สอนเพื่อให้บริสุทธิ์จากวัตะแล้วก็มีผู้ที่ปฏิบัติแล้วบริสุทธิ์จากวัตะได้แท้จริงตามคําสอนอันนั้นก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ถ้าเราเข้าใจในกรรมและผลของกรรมดีมาก่อนเนี่ยนะรู้บุญรู้บาตรู้คุณพร ะ, ะตนะรายใดีอ่ะจะสงสัยในศีลและศึกขาไหมไม่สงสัยสงสัยในจิตตสิกขาไหมไม่สงสัยสงสัยไหมว่าข้อปฏิบัติเหล่านี้จะนําไปสู่ซึ่งความบริสุทธิ์จริงก็เรียกว่าไม่สงสัยในศึกขาสามนอะันนข้อ4นะีไม่สงสัยในศึกขา ข้อก็เนี่ยอดีตก็6อน า, าคตข้อ็ก็ทั้งอดีตอน า, าคตข้อ8ก็ปฏิจจสมุปบาทอันความสงสัย8ประการก็เป็นอันละได้ตัดทีฏฐิ่62ิี่ที่62แบ่งเป็นอดีตปุพพันตะ18คิดเรื่องอน า, าคตอีก44นนะกเนี่ยนะเนี่ย ถ้ารอบรู้ในเรื่องอดีตอนาคตรู้ตามปัจจัยเนี่ยนะทิฏฐิกก็เป็นอันละได้เนี่ยนะอันนี้เป็นการข้ามความสงสัยอย่างแท้จริงเมื่อรอบรู้เนี่ยสังขารดำรงอยู่ด้วยปัจจัยอดีตสังขารก็อยู่ด้วยปัจจัยอนาคตสังขารทั้งมวลก็จะเกิดด้วยปัจจัยเนี่ยนะสิ่งที่เกิดด้วยปัจจัยเชื่อมกันด้วยเหตุและผลปัจจัยเป็นกรรมปัจจยุ บ, บันเป็น วิบากตัวที่ทำให้กรรมและวิบากมัน่อดสืบเนื่องติดต่อกันเพราะอำนาจของกิเลสเป็นต้นเนี่ยก็มองเห็นก็ละความสงสัยได้ทีนี้เมื่อมองเห็นรู้ความเป็นจริงเป็นไปแบบนี้มากๆเนี่ยนะอะไรเกิดอีกเมื่อได้กัรขาวิตรณาวิสุทธิอย่างนี้เลยนะความบริสุทธิของสังขารเมื่อเห็นบอกว่าหนทางเพื่อการดับวัตตะอันนี้เนี่ยคือการอะไรคือการเห็นความไม่เป็น สาระเนี่ยนะจ ะ, จะเราจะต้องปฏิบัติเพื่อออกจากสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมก็พิจารณาไอ้ภพสามกำเนิดสี่โดยความเป็นของไม่ที่ยังเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะเพื่อนํามาซึ่งความเบื่อหน่ายเมื่อปฏิบัติไปมากๆเนี่ยนะอะมัคคะมันจะเกิดกับมัคคะมันจะมีอมัคคะเนี่ยพอปฏิบัติพิจารณาไปก็อะไรเกิดวิปัสสนูปกิเลสิบ ใช่ไหมวิปัสสนูปกิเลสิบก็จะเกิดขึ้นโอ้เราเนี่ยต้องสสยบรรลุแล้วไม่เคยมีปีติขนาดนี้มาก่อนเนี่ยโอ้ปีติโอ้นี่สว่างมากนะนี่แหละใช่เลยเป็นทางไหมไม่ใช่ทางเนี่ยนะกลับบอกว่าทางจริงๆคืออนุปัสสนานะเนี่ยนะเอาชื่อสองอย่างมารวมกันมาสนที่กันมัคคามัคคายานทัศนวิสุทธิบริสุทธิ์ว่าอมัคควิปัสสนูปกิเลสิบไม่ใช่ทาง ส่วนอนุปัสนาทั้งหลายการตามเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นเป็นทางเนี่ยนะก็เป็นทางแต่ว่าผู้ที่จะรู้ว่าเป็นทางอะไรไม่ใช่ทางเนี่ยนะ เ, เหตุเกิดขันห้าเกิดโดยอาการเท่าไหร่25้าดับโดยอาการ25เนี่ยนะอันเนี้ยเนะี่ยเป็นเป็นเหตุแห่งวิปัสสนูปกิเลส10เมื่อรู้เหตุเกิดความดับนะวิปัสสนูจึงเกิดเนี่ยนะเกิดโดยอาการ25่สบห้าดับโดยอาการยีห้า จะละความสงสัยในปฏิจจสัจจนะนิยลักษณะเนี่ยนะปัจจัยพวนี้จะรอบรู้กลุ่มนี้ทั้งหมดผู้ที่ได้ยา น, นั้นนี้จะจะเป็นวิปัสสุทธิเลนครบทั้ง10เลยหรือเปล่าโดยถ้าถ้าเราม า, มาศึกษาแยกแยะน ะ, ะสามารถเกิดได้ทั้ง10ในทุกคนเลย แต่ว่าปริมาณอาจจะแตกต่างกันเช่นข้อแรกอะโอภาษ์โอภาษ์านี่คือแสงสว่างอะนะมันเหมือนสว่างสวไวไปหมดอะนะมองอะไรมันโล่งมันอะไรไปหมดเลยก็คือแสงสว่างเขาบอกว่าเหมือนคนมีตาทิพย์เลยนะความสามารถเท่านั้นพอโอภาษ์แล้วเกิดอะไรปีติใช่ไหมบางคนก็ปีติบางคนก็ปีตินานบางคนก็ปีติไม่นานก็แล้วแต่ปีติปีตินี่ต้องมี ปัสสัทธิกายะปัสสัทธิจิตตะปัสสัทธิอะนะสุขสุขก็กายกสุขเจกสุขสุขกายสุขใจเนี่ยนะอะไรอีกสติเนี่ยนะสติก็ดีอ่ะก็ธรรมดาญาณปัญญาเนี่ยคมกล้ามมากขึ้นก็ธรรมดาอะไรอ่ปัจหะเนี่ยนะความเพียรน่นะเพียรมาก อะนิการเตอันนี้ตันหานะข้อสุดท้ายอธิมโมกด้วยนะอธิมโมกคือศรัท ธ, ธาศรัท ธ, ธามีกําลังจริงก็คือกุศลธรรมที่อยู่ในวิปัสสนานั่นแหละเกิดขึ้นอ่ะนะก็อันใดอันหนึ่งที่มีกําลังมากหรืออาจจะมีกําลังในกทุกๆอันเลยนะคือทําให้นึกว่าคุณธรรมอันนี้เป็นมัก่ก็อยู่กับก็ ก็ไปเข้าใจนี่คือมรรคผลเพราะสิ่งเหล่านี้เมื่อก่อนไม่เคยมีนะพอเรามาเจริญอย่างนี้แล้วมันมีอันนี้แหละมรรคผลพอพอแล้วก็เนื่องจากเข้ารู้สัจจะปฏิจจะอะไรโดยนิยะที่เป็นโลกยะเนี่ยค่อนข้างรู้ดีเมื่อรู้ดีอย่างนี้ก็เลยนึกว่าโอ้เราบรรลุแล้วนะอันนี้ไม่ใช่ทางนะพอมาพิจารณาไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ไม่เคยเกิดก็มาเกิดขึ้นวัตสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นต้นการมาใคร่ครวอย่างนี้เป็นทา ง, เ ป, ทางเป็นมรรคฐา ก็ไปยึดในสังขารธรรมบอกว่าเป็นมรรคผลก็ไม่ใช่อยู่แล้วนะนอนี้ให้พอเป็นตัวอย่างนะผู้ศึกษาก็พึงศึกษาได้จากปฏิสัพพิธามมรรควิสุธทธิมรรคเป็นต้นนะและก็ได้เป็นความบริสุทธิ์อย่างที่ที่สี่ใช่ไหมขออภัยนะที่หนึ่งศีลสองจิตสามทิฏฐิสี่กังขาห้มามรรคมรรค ยานทะัศนวิสุทธิเขาก็อันนะเมื่อรู้ว่าตัวตัวมรรคจริงๆคืออนุปัสนาใช่ไหมเมื่อกี้บอกว่าตัวมรรคนะคืออนุปัสนาไม่ใช่มรรคคือวิปัสนปกิเล ส, สิบเมื่อรู้ว่าอนุปัสนาเป็นทางก็มาปฏิบัติตามอนุปัสนานี้นี่เป็นปฏิปทายานทะัศนวิสุทธิ เ, นะเมื่อเมื่อเจริญไปอย่างนี้เนี่ยนะก็เรียกว่านิพิทปฏิปท า, านาณทัศน์วิสุทติตามเห็นสัาพาสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นเป็นทุกเป็นอนัตตาเนี่ยนะเพื่อความเบื่อหน่ายและคลายกำหนัดจากสังขารทั้งปวงไอเมื่อการปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์เนี่ยนะอันนี้ชื่อง่ายๆที่เราคุ้นเคยเรียกว่านิพิทาสัพเดียว ใช้สับเดียวนะคือนิพิธาปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิเนี่ยเวลาอ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยนะว่าเมื่อรู้เห็นตามเป็นจริงย่อมเบอือนนายเนี่ยเบอือนนายนี่คือปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิคืออันเดียวกันหรืออีกชื่อหนึ่งเขาเรียกว่าอะตัมยตาอะตัม ม, ย ต, ต ม, มยตาเป็นชื่อของปัญหาอะตั ม, มยตาก็ปฏิเสธปัญหาเนี่ยนะอันนี้เป็นชื่อของปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิ เ น, นะอันนี้ในในธาตุวิพังกสูตรอ่ะคุณมลชูอะตัมมยตาเนี่ยละตัมมยตาละตันหาอันนี้คือปฏิปทายานทัศน์วิสุท ธ, ธิหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือถ้ามีธรรมมติยานเนี่ยนะธรรมมติยานในอะไรนะในนิทานวักอ่ะ ยานที่มีสังขารเป็นอารมณ์เนี่ยนะก็เกิดก่อนนิพยานในนิพพานอ่ะ น, นี่หมายถึงอะไ น, นี้เอ่คำว่าอตัมมต า, มตานอีอ่าสุสีมาสูตรนะในในสุสีมาสูตรก็มีแต่ว่ารายละเอียดนะใครอยากรู้วัยพจน์ของปฏิปทาญานทัศนวิสุทธิเนี่ยดูจากวิสุทธิมรรคมรสมุท้ายนะบอกชื่อไวัยพ์ของเนี่ยในพระไตรปิฎกใช้ชื่ออะไรบ้างเนี่ยนะในที่ต่างๆแต่ว่ามีชื่อหนึ่งที่ว่าวุ ธ, ธานาคามินีวิปสนา วุฒานแปลว่าการประพฤติเพื่อออกอ น, นะวุฒานคาม่มีปฏิปทานเนี่ยตั้งแต่ปฏิปทายานทัศนวิสุทธิเนี่ยจึงเป็นการประพฤติเพื่อออกจากวตะก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่ใช่เป็นการรู้ว่าอะไรเป็นอะไระนะะฉะนั้นอันนี้เป็นการประพฤติเพื่อออกจากวัตะอย่างแท้จริงเพราะข้อวิสุทธิที่7คือยานทัศนวิสุทธิยานทัศนวิสุทธิเนี่ยแหละจึงมีนิพพานเป็นอารมณ์หรือไปรู้แจ้งแทงตลอด พระนิพานเนี่ยนะมันผู้ที่ปฏิบัติตามหลักวิสุทธิ์ที่เจ็ดประการเหล่าเนี้ข้อ8ดนะความบริสุทธิ์ข้อ8จึงเป็นปัญญาเนี่ยอันนี้เป็นความบริสุทธิ์ทางปัญญาของเขาจริงๆส่วนข้อสุดท้ายก็คือถ้าเข้าตรัสรู้ตามนี้นะเป็นความหลุดพ้นที่บริสุทธิ์เนี่ยนะเป็นการหลุดพ้นที่บริสุทธิ์เป็นการหลุดพ้นจากวัฏฏะจริงๆซึ่งไม่ใช่กลุ่มเดรัจฉีคิดขึ้นใช่ไหมกลุ่มเดรัจฉีตัวเองไม่บริสุทธิ์ก็สําคัญว่าเป็นความ บริสุทธิ์อย่างแท้จริงส่วนในศาสนานี้ถ้าปฏิบัติตามธรรมะ8ประการนะั่นหนึ่งศีลสองจิตสามทิฏฐิสกังขาห้ 5, มามรคาหปฏิปทาเจ็ดาณนะจนถึงปัญญาและก็วิมุตต์เนี่ยถ้าปฏิบัติตามนี้ไนดะ้จริงก็เข้าถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยนะนิพานนี้บริสุทธิ์จากสังขารธรรมทุกชนิดเพราะคนที่ปฏิบัติอย่างนี้ต้องเห็นภายใน สังขารต้องเห็นภายในสังขารว่ามีสังขารเนี่ยเสียหายยังไงถ้าแทงตลอดวิสังขารเนี่ยมีคุณขนาดไหนอันนี้ต้องชัดเจนตั้งแต่เริ่มศึกษาแล้วจริงจิอ่ะนะถามว่าชัดตั้งแต่เมื่อไหร่ชัดตั้งแต่กล่าวคำว่าธรรมังสรารนังข่าฉามิแล้วตั้งแต่แรกๆโ น, อนอ่ะนนะ่อยของเรามาถึงจับเข้ามหาลัยกันหมด เรียนไปเรียนมาเอฟอนุบาลคุณก็ยังไม่ได้เข้าเลยอ่ะก็ถ้าไปเจอโรงเรียนที่มาตรฐานหน่อย <c oughs> เขาก็บอกคุณค่อยๆไปเรียนตามลำดับมาก่อนนะถ้าโรงเรียนไม่มาตรฐานคุณยัดมาเลยเดี๋ยวฉันจะให้เไงอ <c oughs> บรรลุกันเป็นว่าเล่นเลย <c oughs> แล้วก็มีใครที่ผ่านยานแล้วกลับไปดื่มสุราเอ ก, ก็ไม่ใช่น้อย ผ่านยานชั้นสูงเนี่ยนะยาสิบหกเนี่ยกลับไปดื่มเหล้าเมายาเป็นนักร้องนักลัมสบายอันนี้ก็มีอยู่ในโลกเนี่ยนะพระอาจารย์ให้คะแนนได้หมดนะจริงหรืจริงก็ไม่รู้่啊ยกให้เลยผ่านยานหมดนะกลับไปคิ่เหล้าเมายาตามเดิมอันนี้คือคือเมื่อเมื่อปฏิบัติตามความบริสุทธิ์ไม่แท้จริงก็แม้แต่ศีลยังรักษาไม่ได้จํากล่าวไปยายถึงทิฐิเล่านะ สัทธามเจ็ดอ่าย อ, อยู่ตรงไหนออยู่ตรงไหนเนี่ยครับแปลว่าอะไรอยู่ในพระต่าปิฎกเล่มไหนหรือว่าคำถามแบบไหนไม่ทราบอ๋ออยู่เล่มไหนก็ได้ใช่ไหมอยู่อังคุตรนิกายสัตกาณิบาตสัตกาณิบาตธ ร, รมมโมเจตนะสัทธาเป็นต้นนั่นเอง ในนี่ในหมวดเจ็ดนะมีสัตวธรรมเจ็ดนะนะเล่มนี้เล่มนี้เลยสัตว์ทําเจ็ดหน้าสามสิบสี่นะคุณเปิดดูหน้าสามสิบสี่หน้าสามสิบสี่นะข้อสี่ร้อยสามสิบแปดนั่นแหละโหเรียนผ่านมานานแนะน่นะมีหน้า่ะไรจิงลืม ห่วงอีกหมดไป้งครึ่งเล้าแล้วทีนี้ถามว่าผู้ที่ปฏิบัติตามความบริสุทธิ์ทั้งเก้าประการที่แล้วเนี่ยถามว่าบริสุทธิ์จากอะไรบริสุทธิ์จากวัตตะใช่ไหมถามได้วัตตะที่ว่ามันคืออะไรก็เนี่ย เอาแบบสูงสุดแล้วก็คือสัตวาว้าเก้าพ้นจากพบเป็นที่อยู่ของสัตวเกประการอ น, นย่อมาก็วิญญาณทีติเจ็ใช่มัมย่อมาอีกก็เหลืออะไรคติห้าย่อมาอีกก็ ก, กำเนิดสี่ย่อลงมาอีกก็ภูมิสามย่อมาอีกก็นามกับรูปย่อมาอีกได้ไหมอสังขารธรรมตีเรียกว่าสัพเพสัตตาหาลติติกานะย่อมาเหลือหนึ่งก็ได้ย่อไปกว่านั้นอีก ก็ท่านนิพพานก็ย่อดได้อ่ะทายังก็ย่อไม่ได้เพราะนิพพานนี้อาสังก็ตระทำมัะนะทีนี้ว่าถ้าผู้ที่ปฏิบัติตามอย่างที่กล่าวนะก็คือพ้นจากสัตวว่าทั้งเก้าก็ไม่ต้องปฏิสนธิในภพเป็นที่อยู่แต่ว่าถ้าจะหลุดพ้นอย่างนั้นได้ก็ต้องกําหนดรู้ในสัตวว่าเก้าถามว่าการเอาสัตววาามาแสดงใเพื่อประโยชน์อะไร ประโยชน์ก็คือมีผู้ที่สำคัญนิวาดเหล่านี้ที่ไม่บริสุทธิ์ว่าบริสุทธิ์มีอยู่เช่นพวกทีบ่บางกลุ่มก็ถือว่าพรหมโลกเป็นที่บริสุทธิ์ใช่ไหมบางพบเนี่ยบางกลุ่มก็ถือว่าอสัญญาศัสตร์เป็นที่บริสุทธิ์บางพวกก็สำคัญว่าอารูปเป็นที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจึงต้องเอาอ่เอ า, เอาสัตววาเก้ามาแสดงต่อจากข้อปฏิบัติที่กล่าวไปแล้ว เพื่อให้เห็นชัดว่าไม่ใช่คุณปฏิบัติ อ, อย่างที่กล่าวไปแล้วนะตามความบริสุทธิ์แห่งความเพียรเก้าประการเนี่ยปฏิบัติไปปฏิบัติมาเฮ้ยพรห ม, มโลกสิมันนิพพานอยู่ตรงนั่นอันนี้ก็ปฏิเสธใช่ไหมหรือโอ้มันต้องรูปประพรหมนะมันต้องอาศัยสัตตาพรหมจึงจะบริสุทธิ์ก็เท่ากับปฏิเสธหรือเท่ากับปฏิเสธแม้กระทั่งเนวสัญญาณาสัญญาญตนะปฏิเสธทุกคนทุกแห่งปฏิเสธในภพทั้งปวงว่า การปฏิบัติเพื่อความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงไม่ใช่ว่าไปจมอยู่ในพบใดพบหนึ่งนะมันจะต้องเป็นการออกจากสัตว์วาด้าก้อันผู้ที่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติไปแล้วเนี่ยอย่างไรเสียเขาต้องรอบรู้ในสัตว์วาด9ประการนี้เขาต้องรอบรู้ถามมารอบรู้ว่ายังไงรอบรู้ว่าสัตว์พวกหนึ่งมีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเช่นอนนะัถ้าปฏิบัติอย่างที่กล่าวแล้วจะเกิดเป็นปฏิสนธิเป็นมนุษย์อีกไหม ไม่มีใช่ไหมที่จะต้องมาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีบางก็ถ้าก็บอกว่าอ้าวพรหันท่านไปอยู่ในคันคนนั้นแล้วอันนี้ไม่ใช่เลยใช่ไหมปฏิเสธหมดอลยนะไม่ใช่ว่ามีบางกลุ่มสมัยก่อนก็ถือว่าภาษาดิบุตรเนี่ยมาเกิดใหม่เลยว่าว่าไปนั่นนั่นนะคือต้องการจะบอกว่าชั้นคนพูดนั่นแหละคือภาษาริบุตรเหกันบอกโอ้ยภาษาริบุตรจะมากินน้ําคําทําอะไรอ่านไห ก็ตัวเองกินอยู่ก็บอกว่าภาษาริบุตรมากินกับตัวด้วยก็แย่มากนะจริงๆแล้วไม่ใช่เพราะนั้นถ้าจะกล่าวไปวนะผู้ที่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยไม่มีการมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเนี่ยนะที่มาปฏิสนธิด้วยมหาวิบากแปดอีกไม่มีอีกแล้วเนี่ยน ะ, ะพวกที่มีกายต่างกันมีสัญญาต่างกันเนี่ยนะมีทั้งมนุษย์มีทั้งพวกเทพเนี่ยนะสวรรค์ทั้งหลายเนี่ยก็มีทั้งทวิเหติตเหตุและ อเหตุส่วนเปรตหมายถึงวินิบาตเนี่ยนะวินิบาตก็คือพวกเปรตบางกลุ่มเนี่ยนะก็มีนะที่เปรตที่ปฏิสนธิด้วยติเหตุเนี่ยมีเขาสามารถบรรลุธรรมได้นะอย่างเช่นปียังกระมาตาอะไรพวกนี้เขาบรรลุได้เป็นกลุ่มเปรตแต่กระนั้นกลุ่มวินิบาตเนี่ยนะอีกชื่อหนึ่งก็หมายถึงพวกวินิบาตแปลว่าตกไปจากความเจริญเนี่ยนะแต่ก็มีอุปนิสัยแห่งมรรคผลอยู่เนี่ยนะก็เพราะอะไรเพราะปฏิสนธิด้วยติเหตุนั่นเองก็สามารถมีพวกบรรลุได้ อันนี้เป็นสัตววาดข้อที่หนึ่งะคือพวกมนุษย์พวกเทพพวกเปรตเนี่ยบางกลุ่มนะไม่ใช่ทั้งหมดอย่างที่สองนัมีกายต่างกันมีสัญญาอย่างเดียวกันอันนี้ก็หมายถึงพรมในปฐมฌานภูมิอันนี้มีร่างกายแตกต่างกันนะพรมเช่นบริษัทก็รัศมีแตกต่างกันพรมปุโรหิตก็รัศมีไปอย่างหนึ่งอันนั้นคือรูปร่างที่แตกต่างกันไปเลยเนี่ยนะถ้าต่างกันขนาดไหนก็ไม่ต้องถามละเอียดขนาดนั้นนะถามฌานให้ได้ก็ดูเอาคนเดียว แต่ว่าของมาก็ไม่เคยเห็นนักมันแต่ว่ า, าพรหมทั้งหลายเนะทั้งสาชั้นนะพรหมมะปริสาชาพรหมมปรโหหิตามหาพรหมมาเนี่ยก็มีรูปร่างที่ต่างกันแต่ปฏิสนธิจิตคือปฐมฌานเหมือนกันกระวา ม, มีกายต่างกันมีสัญญาคือปฏิสนธิจิตเหมือนกันน่าจะมีพวกอบายด้วยนะอาบายก็มีกายต่างกันนะพวกนรกเปรตอสุรกายนะอยู่ในข้อสองนะ คือมีร่างกายต่างกันแต่ปฏิสนธิจิตเหมือนกันอาบายสี่ด้วยนะตกอาบายสี่ไปส่วนพวกที่มีกายอย่างเดียวกันมีสัญญาอย่างเดียวกันก็เหล่าเทพชั้นอาภัสรานี่นะคือหมายถึงปริตสุภาอ ป, ปมาณาสุภาอัภัสราเนี่ยสามชั้นเนี่ยมีความต่างกันอยู่ต่างกันตรงไหนต่างกันว่าบางพวกยังมีวิจาร์บางพวกไม่มีวิจารแล้วซึ่งอยู่ในคือโดยจตุกนเนี่ยนะ พุทธิยะชานเนี่ยละวิตกวิจารเลยใช่ไหมโดยปัญจกะไนเนี่ยละวิตกยังเหลือวิจารณเพราะฉะนั้นพวกนั้นอ่ะมีสัญญาต่างกันเพราะบางพวกก็ยังมีวิจารณอยู่บางพวกไม่มีวิจารณแล้วแต่ว่าร่างกายนี่เหมือนกันเป็นเทพที่มีรัศมีออกสร้างออกจากกายเหมือนกันนะปริฏตาภาอั ป, ปมานาภาอภัสราเนี่ยสามชั้นเนี่ยบางพวกก็ยังมีวิจารณ์บางพวกก็ไม่มี วิจารก็เลยเรียกว่าปฏิสนธิจิตต่างกันแต่ว่ามีกายเหมือนกันคือมิรัสมีออกจากกายเหมือนกันส่วนพวกที่มีกายอย่างเดียวกันสัญญาอย่างเดียวกันก็คือพวกสุภกินหะอันนี้หมายถึงปริตสุภาอั ป, ปมาณสุภาไม่ใช่แล้วก็เวหัพลาเนี่ยนะสุภกินหะพวกนี้เป็นเป็นกลุ่มที่ มีปฏิสนธิจิตเหมือนกันหมายถึงพวกปฏิสนธิที่ด้วยตาติยะฌานภูมิขึ้นไปนะปฏิสนธิที่ด้วยตาติยะฌานตาจตุทธฌานเนี่ยพวกนี้มีร่างกายเหมือนกันมีปฏิสนธิจิตที่เหมือนกันด้วยส่วนประเภทที่ห้าก็คือพวกอสัญญสัพเนี่ยนะไม่มีสัญญาไม่สวยเวทนาแปลว่าไม่มีจิตเจตสิกเลยมีแต่รูปอย่างเดียวอันนี้ก็เป็นสัตวตาว่าที่ห้าซึ่ง บางลับที่เนี่ยถือว่าที่นี่เป็นที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยถือว่าไปถึงเข้าถึงจุดนี้เป็นที่บริสุทธิ์จริงๆแล้วไม่ใช่อันะอายุเขาแค่ห้าร้อยกับเองห้าร้อยกับนะถ้าเทียบกับสังสารวัตรนี่ไม่นานถ้าเทียบกับพวกเราแล้วนานมากเข้าใจแล้ป่าเนี่ยคนที่ไม่คนที่อยู่ในวงมรุนนี่จะรู้ยังไงครับว่าตรงนี้มีไม่ได้จับืออยู่ เขาพวกนี้เขามีตาทิพย์ก็รู้ได้อยู่แล้วของเราเอาเอาเอาตรงๆก่อนนะครับว่าไปถามว่าพวกเดียร์ถีรู้ได้ยังไงเนี่ยนะอันนี้เราก็ไม่ได้ศึกษาสายนะั้นอันนี้ของเราว่าพระพุทธเจ้าพระองตรัสอย่างนี้เราก็ว่าตามที่พระองค์ตรัสซึ่งกลุ่มเดียร์ถีถามว่าเขารู้ได้ยังไงเขาก็รู้ได้ด้วยด้วยอภิน ญ, ญาของเข้าเป็นต้นเนี่ยนะเขาก็มีอภิญญามีอะไรกันถามว่าอภิญญาเขารอบรู้ไปแค่ไหนอันนี้นี่เขาาไม่ได้สอนไว้นะครับก็เอาเฉพาะตรงๆไปก่อน ส่วนชั้นสูงไปอีกนะครับคือพวกเข้าถึงอากาสาัญจายตนะเนี่ยพวกที่ได้อารูปชาญโดยมณสิการว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงรูปประสัญยาโดยประการทั้งปวงรูปประสัญยาคือรูปปาวจรทั้งหมดเนี่ยนะดับปฏิฆาสัญญาคือทวิปัญจาวิญญาณจิต10บไม่กระทำไว้ซึ่งนานัตตะสัญญาคือจิต44ดวงที่เหลือ เพราะฉะนั้นพวกที่จะไดอรูปประชามที่1เนี่ย น, นะจะต้องละอะไรม้างละกามาวจรทุกชนิดละรูปาวจรทุกชนิดจึงจะได้อากาสานัญจายตนะนะอันนี้เป็นสัตวว่าข้อที่6ผู้ที่จะไปเกิดที่นั่นนะนะส่วนพวกที่เข้าถึงชั้นวิญญาณัญจายตนะก็มร ส, สิการว่าวิญญาณหาที่สุดไม่ได้เพราะล่วงชั้นอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงพวกนี้ก็ต้องละอากาสานัญจายตนะนั่นแหละจึงจะได้ วิญญาณัญจายตนะส่วนสัตว์พวกที่เข้าถึงชั้นอากินจัญญายตนะก็มาราิการว่าไม่มีอะไรเพราะล่วงชั้นวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงพวกนี้มันละละกันไปเรื่อยนะซึ่งถ้าไม่ใช่อาศัยคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นสังขารธรรมนะจนบางพวกเข้าใจว่านั่นที่นั่นคือนิพพานและว่างันเถอเพราะอะไรเพราะสงบมากถ้าเปรียบเทียบระดับรูปาวจรแล้วนี้สงบกว่ารูปาวจรมาก แต่ยิ่งเปรียบเที่อกับกามาวจรแล้วเทียบกันไม่ติดเลยนะแต่ก็ผู้ที่ไม่มีบุญทั้งหลายเนี่ยนะผู้ที่ไม่ใช่สัพพันยูทั้งหลายก็สําคัญสิ่งเหล่านี้ว่าเป็นอะไรที่อยู่ที่ที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริงเนี่ยนะแต่พระพองค์เนี่ยกำหนดอายุได้เลยใช่ไหมว่าเนี่ยอวินอาวินยานันจา ย, ยตนะมีอายุเท่าไหร่อากินจัญญายตนะมีอายุเท่าไหร่ตลอดจนถึงแม้กระทั่งเนวะสัญญาณนาะสัญญายตนะพระองค์ก็บอกอายุได้นะว่า 84%,00 มกับ 84,000 กับนั่นก็ยังมีจิตมีเจตสิกอยู่จิตเจตสิกยังสืบเกิดดับสืบเนื่องกันตายเพราะฉะนั้นที่นั้นแท้จริงแล้วอ่ะไม่ได้ดีอย่างที่คิดหรอกเนี่ยนะท่านอุปมาเหมือนอะไรนะเหมือนคนหลงเข้าไปในเมืองปีศาจนั่นนะอรูปประพรมเนี่ยนะสํานวนของอัตถฐานบอกเหมือนหลงเข้าไปในดินแดนแห่งปีศาจแต่ว่าแม้ปีศาจรดับของผู้ที่ได้โลกุตระน ผู้เทศแบบแมมกามาวาจรนี่โอ้โหนั่นเยี่ยมมากแล้วนะคอยมันได้เถอะเนี่ยนะสำนวนนะถ้าพูดแบบพวกเราทั้งหลายก็บอกคอยมันได้แนะน่นอะแต่ถ้าพูดแบบระดับคนที่เข้าถึงโลกุตระก็บอกโอ้หนันดินแดนแห่งปีศาจเป็นตอนนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าไปเพลิดเพลินในสิ่งนั้นเนี่ยโอ้อายุเนี่ยแปดมสี่พันกับพระเจ้าผ่านไปกี่องค์แล้วเนี่ยนะ เกิดมาสมมติว่าจุติจากเนวสัญญามาเกิดเป็นมนุษย์หรือเกิดเป็นเทวดาในสมัยที่ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้าอะไรจะเกิดขึ้นนะเนี่ก็อันตรายมากว่านั้นแถอะเพราะฉะนั้นในระยะยาวไม่ค่อยดีนะเพราะฉะนั้นอย่าหวังไปที่นั่นเลยแต่ถามพระพุทธเจ้าสรรเสริญเนวสัญญาไหม ส, สรรเสริญเพราะอะไรเพราะเป็นทิฏฐธรรมะสุขวิหารธรรมะนะแล้วก็ผู้ที่ได้ ระดับเนวะสัญญาณาสัญญายาตนานะถ้าเขาเข้าใจแนวทางแห่งการเจริญวิปั ส, สนาพวกนี้ละกิเลสไม่ยากานะเนเขาละกิเลสไม่ยากถามว่าทําไมไม่ยากเพราะพวกนี้ปัญญาสูงมากทําไมพระพุทธเจ้าปรารบจะแสดงธรรมเนี่ยคิดจะสอนใครก่อนจะสอนกลุ่มเหล่านี้ก่อนที่ได้พวกพวกไหนที่ได้อากินจัญญายาตนะหรือได้เนวะสัญญานาสัญญายาตนะเพราะอะไรเพราะพื้นฐานในการละเขามากแล้ว เขานี่ยละอะไรเช่นเขาละพยาละการมฉันท่ด้วยเนคคัมมะเขาละพยาบาทด้วยอัพยาบาทเนี่ยนะจนถึงเขาละนิวรดุด้วยปฐมฌานละวิโตวิจารณ์ด้วยทุติยฌานพื้นฐานในละนักละทั้งหลายแล่เนี่ยเขาละมามากแล้วเพราะั้นถ้าสอนบอกว่าจงตัดฉันทราคะในสิ่งทั้งมวลเหล่านั้นอีกเนี่ยอันนี้ไม่ยากเนี่ยนะเพราะพื้นฐานเขาเขาพร้อมที่จะรับได้อยู่แล้วเป็นผู้ที่บริสุทธิ์ทางความคิดอย่างแท้จริงเพียงแต่ว่าเขาไม่เข้าใจสัมมาทิฏฐิที่เป็น อริยะเนี่ยนะไม่รู้ว่าปัญญาหรือสัมมาทิฐิเนี่ยนะทั้งหมดเหล่านั้นเป็นทุกข์นะเขาไม่ได้รับการแนะนําถ้าเขารับได้รับการแนะนํากลุ่มนี้จะบรรลุถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยนะพวกที่บรรลุเร็วคือกลุ่มไหนที่ไปฟังแล้วบรรลุเร็วมา ก, ก น, นะฟังสูตรหนึ่งแล้วบรรลุเยอะแยะไปหมดคือกลุ่มพวกได้ฌานทั้งนั้นเลยเช่นพวกฤาษีกลุ่มลูกศิษย์พราหมณ์ภาวรีโดยกลุ่มโดยมากได้ฌานมาแล้ว น, นะเขาคําถามบางคําถามเนี่ยเป็นคําถามเรื่องฌานทั้งนั้นเลย นะเพราะเป็นคนที่ถามนี่เขาได้ฌานมาถามเพราะนันะ้นกลุ่มเนี่ยพอจบสูตรก็บรรลุจบสูตรก็บรรลุเพราะเขาเขามีอุปนิสยัยมีพื้นฐานมีจิตที่ดีมากนะของเราไปตั้งหลายสูตรแล้วนะแต่ที่เขาบรรลุดีๆเนี่ยเสียยาเขาหมดอะเป็นไข้นะถ้าไข้ก็เสียหมอมาเยอะเลยนะเพราะว่าหมอตรงนั้นดีก็ไปอา้าวเสียประวัติหมอไปอีกเจ้านึ่งนะนี่ก็เหมือนกันนะสูตรไหนก็ว่าดีๆเราก็เอามาเรียนหมดก็ยัง อย่าว่าอย่างนั้นได้อุปนิสัยแล้วเนี่ยนะคอยมีศรัทธาอะเอาในะี้เนาะยังไงนะยามยังไม่ถึงขนาดยังไม่ดื้อหรอันนั้นช่วงชานี้ก็คงสมควรกับเวลา